แนะนำบทอัลอินช ok ิกอกบทอัลอินชิกอบเป็นบทมัคค ah ียามี25องค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงภาพลักษณ์ของโลกอาคิร์โดยวาดภาพไปเห็นถึงความปัน่นป่วนที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลขณะที่วันอวสานเกิดขึ้นและบทนี้ได้กล่าวถึงการสร้างมนุษย์และการที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยยั่งชีพและความเป็นอยู่ของเขาเพื่อ น, นําไปเสนอในวันอาคิร์ สิ่งที่เขาปรารถนาไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วความดีหรือความชั่วแล้วณที่นั้นจะมีการตอบแทนอย่างยุติธรรมวันนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกมุชริกรีนที่มีต่ออัลกุรอานนี้และได้สาบานว่าพวกเขาจะต้องได้พบกับความน่าหวาดกลัวและความยากลําบากและว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับพยันอันตรายและความหวาดหวั่นในวันกิยามานั้นซึ่งทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อาํานวยประโยชน์อันใดแก่เขาเลย บท น, นี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาพวกมุชวิกีนโดยที่พวกเขาไม่ศรัทธาต่อเราทั้งๆ ท, ที่มีสัญญาณอันชัดแจ้งและหลักฐานอย่างชัดเจนและได้แจ้งข่าวแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดในนรกยานนะ ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อชั้นฟ้าได้แตกออกและมันได้เชื่อฟังพระผู้พิบากของมันและมันจำต้องทำเช่นนั้นและเมื่อแผ่นดินถูกให้แผกว่า และมันได้คลายสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่าและมันได้เชื่อฟังพระผู้วิบาลของมันและมันจาต้องทำเช่นนั้นโอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงเจ้าต้องพาเพียนไปสู่พระผู้มิบาลของเจ้าอย่างทรุดอดทนและเจ้าจริงจะพบพระองค์ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกยื่นให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาจะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจามมามและส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกยื่นให้ทางเบื้องหลังของเข า, า, ลาแล้วเขาจะร้องเรียกหาความหายนะ และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิงถ้าจริงเขาเคอร่าเริองอยู่กับครอบครัวของเขาในโลกนี้ถ้าจริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอาลัลลอฮ์อีกเป็ น, น, นอันบบาขาดพึ่งรู้เถิดว่า แท้จริงพระผู้อภิบาลของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอถ้าขอสาบานด้วยยามตะวันทลอแสนและด้วยกลางคืนเมื่อมันรวมมาชุมนุมกันและด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธาและเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟัง พวกเขาก็ไม่ยอมก้มลงกราบต่ออ ล, ลลอฮฺแต่รตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทานั้นไม่ยอมสถาและพระผูพวพิบากทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้แต่นั้นเจ้ามูัมหมัด จงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดเถิดนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและการการะทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด